คนเราแต่ละวันแต่ละวันนะมันก็มีภัยอยู่รอบตัวหรือโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้เกิดจะตลอดเวลาถ้าสมัยก่อนนี้ก็ภัยที่อยู่รอบตัวก็ได้แก่สิงสาราสัตว์ ง, เงูเห่าเขี้ยวขอเดี๋ยวนี้ก็มีภัยจากสิ่งเหล่านี้น้อยลงนะแต่มันก็ มีภัยอย่อื่นมาแทนที่เช่นรดรารวมทั้งหลุมบอ่อที่ถ้าเกิดเราไม่ระวังนะก็ตกลงไปเมียนเป็นไปยังไม่นับนะอาหารที่เป็นพิษสิ่งที่เป็นอันตรายเยอะแยะจีปาถักที่มันสามารถจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือต่อชีวิตของเราแต่ก็โชคดีนะที่ร่างกายของเราเนี่ยมันมี หลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วยในการหลีกเลี่ยงป้องกันให้เรารอดพ้นจากอันตรายหรือภัยเหล่านี้ได้เช่นเรามีตาตามองเห็นสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายหูเราก็เหมือนกันนะเสีงยงอะไรที่ผิดปกติ มันก็ช่วยทำให้เราเกิดความระมัดระวังหรือว่าดีกเลี่ยงไม่ไปข้องเกี่ยวกับหรือยอยู่ใกล้ชิกระสิ่งนั้นลิ้นของเรานี่ก็ทำให้เรารู้ว่าอะไรที่น่าจะกินได้อะไรที่กินไม่ได้รเราก็มีผิวหนังนะที่คอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรค เข้ามาในร่างกายแต่ว่านอกจากตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวหนังหรือเรียกรวมๆว่าร่างกายแล้วเนี่ยมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งหนะ้าที่ช่วยป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราสิ่งนั้นคือมิวคุ้มกัน ในร่างกายของเราภัยบางอย่างนี่มันก็มองไม่เห็นนะด้วยตาแล้วมันก็ไม่ส่งเสียงด้วยฟังเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินแล้วบางทีก็ไม่มีกลิ่นนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้หนที่เราอยู่รอดมาได้เนี่ย เพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันทำงานได้ดีและระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจ้าไปก็เป็นสิ่งอัศจรรย์นะเพราะว่ามันทำงานได้ อ, อย่างน่าทึ่งมากนาที่ออกมากคือ จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราโดยพอผูกเชื้อโรคแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะอาจจะมีสารที่เป็นพิษที่เป็นอันตรายที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นผูงกันในร่างกายเราเนี่ยก็ เป็นพอสามารถจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายเหล่านี้ได้เนี่ยเราถึงไม่เจ็บไม่ป่วยเราถึงไม่ถึงกับอารมณ์หายใจจากไปแต่ที่มันก็น่าคิดนะว่าสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นอันตราย ซ้ำจะมีประโยชน์ได้ซ้ำนะไอสิ่งที่เป็นอันตรายก็มีอยู่แล้วผมคุ้งกันในร่างกายเรามันรู้ได้อย่างไงนะว่าสิ่งแปลกปอมอย่างนี้เนี่ยเข้ามาไดนะ้เพราะไม่มีไม่มีโทษไม่มีภัยเช่นอาหารเนี่ยอาหารนี่ก็สิ่งแปลกปลอมนะที่เราเอาเข้าสู่ร่างกาย กก็ดีเนื้อก็ดีหรือว่าผลไม้พวกนี้มันก็เลื่อนแต่เป็นสิ่งภายนอกนะที่จะเลื่อนเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่ว่ามันเข้ามาสู่ในร่างกายของเราได้แล้วกลายเป็นประโยชน์เนี่ยก็เพราะภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเปิดช่องให้มันหรืออนุญาตให้มันเข้ามาได้ไม่ไปทำอะไรกับมันแต่ว่า มันก็มีสิ่งแปรปอมบางอย่างที่ผูกคุ้มกันของเรานี่มันไม่ยอมเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นอันตรายเป็นโทษแล้ะยิ่งกว่านั้นคือว่าผู้คุ้มกันเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันไม่เล่นงานเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างต่างของเราเนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆนะไอ้ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าภุมการร่างกายเนี่ยมันมีการเรียนรู้แล้วมันก็มีการฝึกฝนด้วยมันไม่ใช่ว่ารู้โดยอัตโนมัตินะว่า อไอ้สิ่งนี้อนุญาตให้เขามาได้สิ่งนี้ไม่ยอมนะต้องต่อสู้กันมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยภูมการร่างกายเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเรียกว่าเหมือนกับว่างเปล่าก็ได้มายถึงว่าความรู้ที่มันว่างเปล่า มึงก็สมองที่ว่างเปล่าแต่มันก็ได้เรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะจนกระทั่งเนี่ยแม่นยำนะว่าอะไรที่เป็นโทษอะไรที่ไม่เป็นโทษหรือพูดง่ายคือแยกแยะว่าอะไรเป็นมิตรอะไรเป็นศัตรูได้ อันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะแต่มันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และการฝึกฝนแม้กระทั่งการที่มันเนี่ยไม่ไปเล่นงานเนื้อเยื่อหรือเอาัยวะต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะ แต่มันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของร่างกายของเราเป็นการเรียนรู้นี่ตั้งแต่อย่างอยู่ในคันของแม่เลยคือตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อน ต, ตอนที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยนะมการร่างกายเราเนี่ยมันมันเรียนรู้หลายอย่างเลยนะ แล้วมันถูกฝึกมาให้สามารถจะทำงานได้อย่างถูกต้องเนี่ยเริ่มด้วยการที่มันมีการทดสอบว่าเนี่ยชิ้นส่วนเล็กๆที่เป็นโปรโตีนเนี่ยจากร่างกายของตัวอ่อนเนี่ยมันจะถูกปล่อยเข้ามาแล้วก็ดูว่าเนี่ยมีเซล คุมกันตัวไหนบ้างที่มีปฏิกิริยากับชิ้นส่วนนั้นถ้าเกิดมีเซลล์คุ้มกันเนี่ยบางตัวเนี่ยหรือตัวไหนก็ตามที่ไปเล่นงานชิ้นส่วนที่มาจากอวัยวะในร่างกายของตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ยร่างกายมันจะกําจัดเลยนะ เพราะว่าเธอเป็นอันตรายมากนะร่างกายจะกําจัดเซลล์คุ้มกันที่มันไปมีปฏิกิริยาโปรตีนที่มาจากร่างกายของตัวอ่อนนั้นกําจัดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นี่มันก็จะเล่นงานนะร่างกายของตัวอ่อนนั่นเองก็จะเกิดอาการแพ้นอนแพ้นี่ ฉันต้องกำจัดถือว่าทำงานผิดพลาดนะเพราะหน้าที่ของมันเนี่ยมันต้องไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมข้างนอกนะไม่ใช่มาจัดการกับร่างกายของตัวเองว่ามันมีกระบวนการนี้นะเกิดขึ้นจีเริ่าเป็นกระบวนการตรวจคุณภาพนน Quality Control นะว่าหูุ้ิมการเซลล์พิมพการตัวไหนที่มันทำงานได้ถูกต้อง ตัวไหนทำงานไม่ถูกต้องก็ถูกกาจัดออกไปทีละตัวทีละตัวมันมีกระบวนการนี้นะต่อเนื่องเป็นอาทิตย์ตยเลย น, นะจกนกระทั่งไม่เหลือเซลล์คุมกันที่มันทำงานผิดพลาดในร่างกายเราเนี่ยนะมันมีการสกรีนเลยนะ ว่าพวงคุ้มกันเซลล์คุ้มกันตัวไหนที่ทํางานได้ถูกต้องก็ปล่อยไว้ตัวไหนที่ทํางานผิดพลาดก็กําจัดอันนี้พอทารกนื้คลอดมาเนี่ยพอคลอดมาเป็นทารกนี่มันก็มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะตอนที่ทารกนื้คลอดมาจากท้องแม่เนี่ย เซลลคุ้มกันเนี่ยมันไม่รู้เลยนะว่าสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อตัวไหนที่เป็นอันตรายเป็นเชื้อโรคอะไรที่ไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมันจะเรียนรู้ได้ยังไงนะวิธีการเรียนรู้ของมันก็คือเฝ้าดูเฝ้าดูว่า มีเชื้อตัวไหนเนี่ยที่มันเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายคือมันปล่อยเข้ามาหมดเลยนะแล้วก็เฝ้าดูว่าตัวไหนเนี่ยเชื้อชนิดไหนเนี่ยที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นทำให้เป็นไข้ทำให้ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยมันถึงจะรู้ว่า ไอ้เชื้อตัวนี้นี่ต้องจัดการไม่ใช่ว่าอยู่ๆเชื้อตัวนี้เข้ามาแล้วมันจัดการเลยนะไม่มันต้องปล่อยให้เข้ามาแล้วก็ดูว่าก่ออาการอะไรบ้างกับร่างกายถ้าไม่ทําอะไรกับร่างกายก็ปล่อยไปมันก็จดจาว่าเออเชื้อตัวนี้สิ่งแปลกปลอมนี้โอเคนะไม่เป็นอันตราย แต่ถ้าสิ่งแปลกความหรือชั่วตัวไหนนี่มันเข้ามาแล้วทำให้เกิดเจ็บป่วยเป็นไข้ขึ้นมาเกิดการติดเชื้อขึ้นมาหรือมีการทำลายเนื้อเยื่อมันก็จะรู้แล้วน่ะไอ้ตัวนี้เป็นโทษเป็นอันตรายมันจะจำเอาไว้แล้วท่าน้ปพอนะมันก็จะเริ่มลงมือจัดการ วิธีา ก, การก็คือเข้านะไปกินหรือวิธีที่มันใช้บ่อยคือทำให้ตัวร้อนนะเพราะว่าพอตัวร้อนเนี่ยนะหรือเป็นไข้เนี่ยเชื้อมันจะตา ย, ยางั้นเด็กเนี่ยทารกเนี่ยจะป่วยบ่อยนะที่ป่วยบ่อยเนี่ยนะไม่ใช่ส่วนนึงก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมัน ยังไม่เคยแข็งแรงอีกส่วนหนึ่งพาะมันปล่อยให้เชื้อที่เป็นอันตรายเนี่ยได้ประกฏตัวและมันก็จะได้เรียนรู้ว่าเนี่ยเชื้อ น, นี้ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องจัดการมันเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาจากประสบการณ์จากประสบการณ์ตรงเลยนะคือพอร่างกายป่วยอ่ะ มันก็เลยรู้แล้วนะไอ้เชื้อตัวนี้นี่ต้องจัดการแล้วพอรู้เนี่ยวิธีการจัดการนี่มันจะทำแบบรุนแรงมากเลยนะเพราะว่าเป็นการชดเชยกับการที่ปล่อยให้เชื้อนี่มันเข้ามาเล่นงานร่างกายแนะวิธีการที่ผูกกันเนี่ยทำงานด้วยความเร่งรีบเร่งด่วนเพื่อจัดการนะกับเชื้อเหล่านี้คือเป็นไข้นะ ในการเป็นไข้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเชื้อนะแต่มันเกิดจากภูมิคุ้มกันเนี่ยที่กระตุนให้ร่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะได้ฆ่านะเชื้อเหล่านั้นฉันเด็กนี่เวลาเป็นไข้จะเป็นไข้ที่แรงมากสูงมากสูงกว่าผู้ใหญ่นะบางทีนี่4 0 4สิเลยทีเดียวเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่สี่สกว่านี่ก็ไม่ไหวแล้วแต่เด็กนี่ 40, 40่สกว่านี่องศานี่ยังยังไหวนะเพราะเป็นวิธีที่จะจัดการกับเชื้อที่ปล่อยให้เข้ามาอันนี้เป็นวิธีการเรียนรู้นะของผงปุ้มกัน ร, ร่างกายเป็นการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ได้ฝึกฝนไปในตัวด้วย เนี่ยเหได้ว่าเนี่ยการที่เรามีชีวิตนะอยู่รอดเนี่ยปลอดภัยเนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณของอะระบบภู้คุ้มกันในร่างกายมากและที่ภู้คุ้มกันมันทํางานได้เพราะมันอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากความเจ็บป่วยแล้วทาให้มันรู้ว่าเนี่ยแล้วมันจึงรู้ว่าอะไรที่เป็นโทษ อะไรที่เป็นคุณนั่นจะเรียกจะพูดได้ว่าเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยที่มันทำงานได้ดีเพราะมันมีการเรียนรู้แล้วมันมีการฝึกฝนมันมีการลองผิดลองถูกทำให้เราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยปลอดพ้นจากอันตรายแต่อันตรายเนี่ยมันก็มี2อย่างนะอันตรายจากภายนอกและอันตรายจากภายใน ทางพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดนะอันตรายที่เปิดเผยก็คืออันตรายจากภายนอกนี่แหละซึ่งรวมถึงพวกเชื้อโรคพวกนี้ด้วยอันตรายพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็ทําร้ายหรือเป็นทั่วกับร่างกายแต่มันมีอันตรายชนิดหนึ่งนะคืออันตรายที่ปกปิดนะก็คืออันตรายจากภายในเช่นความโลภความโกรธความหลงความถือตัวความอิจฉาความโกรธความเกลียด ปนนี้เนี่ยมันก็เป็นอันตรายนะต่อจิตใจซึ่งสามารถทำให้เราย่ำแย่ได้ถ้ธรรมชาติของเราเนี่ยมันก็มีปูงนะพุพ่มกันนะที่เอาไว้รับมือกับภัยจากภายในเนี่ยอันนั้นคืออะไรนะนั่นคือสตินะสติเนี่ยนะมันเป็นเป็นประการสำคัญเลย ในการที่จะป้องกันไม่ให้ภัยอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นกับจิตใจก็คือปล่อยไม่ปล่อยให้อารมณ์อกุศลเนี่ยรวมทั้งความคิดที่มันเป็นอันตรายเนี่ยเข้ามาเล่นงานจิตใจแล้วก็เช่นเดียวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรานะมันจะทำงานได้เนี่ยมันต้องอาศัยการเรียนรู้นะมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ มันต้องเกิดจากการฝึกฝนแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าเนี่ยการเรียนรู้ของปูงคุ้งกันเนี่ยมันมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเหมือนกับว่ามันถูกโปรแกรมมาไว้แล้วมันถูกโปรแกรมมาไว้นะตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ว่าการเรียนรู้ของสติหรือการเรียนรู้ของจิตใจเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะยเพราะ การรับมือกับอารมณ์หรือว่าความคิดที่เป็นโทษเป็นอันตรายนะต่อจิตใจเนี่ยมันต้องเกิดจากความตั้งใจนะต้องเจอจากความพยายามที่จะเรียนรู้ถ้าคนจำนวนมากนี่ก็ไม่เรียนรู้นะไม่คิดที่จะเรียนรู้เนะพราะนั้นเนี่ยจิตใจก็เลยมีช่องว่าง เพราะว่าขาดประการที่ดีพอก็เลยปล่อยให้ความทุกข์ความเครียดความเกลียดความกลุ้มความวิตกกังวลเข้ามาเล่นงานจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าบางทีล้มป่วยเลยหรือบางคนก็การหนักนะถึงขั้นหมดอะไรตายอยา ก, กับชีวิตบางทีก็ถือค่าตัวตายไปเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ย สติเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาใจของเราเนี่ยให้ปลอดภัยได้ถ้าว่าเรารู้จักฝึกฝนหรือว่าส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรียนรู้จักอะไรนะเรียนรู้จักของจริงนะเรียนรู้จักความโกรธที่เกิดขึ้นเรียนรู้จักความเครียดที่เกิดขึ้นหรืเรียนรู้จักความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นหรือเรียนรู้จักความทุกข์นะที่ปรากฏ อันถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยสติเราก็ไม่ฉลาดนะสติเราก็ไม่ว่องไวนะมันก็เหมือนกับภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายเราเนี่ยมันทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพเนี่ยเพราะมันเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วมันก็เลยรู้ว่าเนี่ยนี่คือเชื้อตัวนี้คืออันตรายที่ต้องกําจัดอันสติของเราเนี่ยถ้าเราจะฝึกฝนเนี่ยให้ฉลาดให้ว่องไวเนี่ย มันก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เั้นการที่ใจเราเนี่ยมันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะโดยเพราะอารมณ์ที่เป็นอกุศลความโกรธความรุ่มที่ทำให้เกิดความรุ่มร้อนความเครียดที่ทำให้หนักอกหนักใจเนี่ยแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นนะสติเราก็ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยไอ้สิ่งนี้เป็นภัย ต้องให้มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงความรุ่มรอ้อนรู้สึกถึงความทุกขนะ์ถึงจะสติจึงจะรู้ว่าเนี่ยไอ้ น, นี่คือสิ่งที่ต้องกําจัดและในการเจริญสติเนี่ยเราจึงอนุญาตนะให้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นโดยที่ไม่ห้ามนะปล่อยให้มันเข้ามานะเหมือนกับที่พูิการร่างกายในตัวทารกเนี่ยปล่อยให้ เชื้อโลต่างๆเข้ามาแล้วก็เรียนรู้นะจากเชื้อโลกเหล่านั้นว่าอันไหนที่มันเป็นโทษอันไหนที่มันไม่เป็นโทษในการจริญสติเนี่ยเราอนุญาตให้ความคิดความระสึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้ห้ามเพราะการเกิดขึ้นหรือการมาของความระสึกนึกคิดเรานั่นแหละที่มันจะสอนให้สติได้รู้ว่า อะไรที่เป็นั่ษอะไรที่เป็นคุณและที่สํงมันคือรู้ว่ามันมีลักษณะอาการอย่างไรสติเราจะจดจาเอาไว้จดจาเอาไว้แต่ว่าจดจําได้ไม่เร็วไม่ดีพอเหมือนกับผงการร่างกายนะผงการร่างกายเนี่ยเจอเชื้อตัวเดียวเจอเชื้อครั้งเดียวมันก็จําได้แล้วให้ว่าตัวนี้นี่ดีหรือไม่ดี เป็นนิรือเป็นศัตรูนะโดยเพราะถ้าเกิดล้มป่วยขึ้นมามันจำได้แม่นเลยแต่จิตใจคนเราเนี่ยต้องเจอทุกหลายครั้งนะกว่าจะจำได้กว่าสติจะจำได้ว่าอไอ้นี่เนี่ยปล่อยให้มันเข้ามาไม่ไดนะ้แต่ว่าเมื่อร่วมมันเป็นโทษแล้วเนี่ยไม่ได้ไปทำลายมันนะ อันนี้ต่างาผกผงการร่างกายเซลล์คุ้มกันเนี่ยพอรว่าเชื้อตัวไหนเป็นโทษนี่เข้าไปสกรดลเลยนะเข้าไปกินเข้าไปทำลายไม่ให้เหลือเลยแต่ว่าสติเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกันนะเวลามีเวลารั่วเนี่ยอารมณ์ใดที่มันเป็นโทษเนี่ยรู้แล้วเนี่ยก็ไม่ไปทำลายไม่ไปกดขม่มไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปผักใสแค่เฝ้าดูอยู่ห àng, นะ่าง ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาข้องกาจิตใจเนี่ยเท่านี้เนี่ยมันก็เลือนหายหรือสลายหายไปแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะมันจะรู้ได้เนี่ยว่าไอ้ตัวไหนเป็นโทษเนี่ยก็เพราะจากการที่จดจำได้แม่นว่าอาการของอารมณ์ตัวนี้เป็นอย่างไรโือเพราะตัวหลงเนี่ยสามารถจะจำได้ว่าอาการ ลักษณะของความหลงนี่เป็นอย่างไรพอหลงทีไรก็รู้ทันทีจนกระทั่งหลงปุ๊บ ก, ก็รู้ปั๊บเลยพราะจำได้แล่ตัวหลงนี่มันก็มีหลายมีหลายชนิดนี่อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเองนะแต่มันเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการที่เจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเจอตัวหลงบ่อยๆเจอตัวทุกบ่อยๆ เจอความโกรธบ่อยๆเจอความฟุ้งซ่านบ่อยๆแล้วจำได้พอจำได้แล้วก็พอมาครั้งต่อไปอก็ไม่เผลอไม่ยอมให้มันเข้ามาคลองใจแต่ก็ไม่ไปทำลายไม่ไปห้ำผ่านพันตูนะแค่รู้หรือดูเฉยๆด้วยความรู้สึกตัวมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่า ให้อารมณ์พวกนี้มันอยู่ได้เพราะความหลงหรือเพราะตัวหลงแต่พอเรารู้ตัวเมื่อไหร่มันก็สลายหายไปและที่รู้ตัวได้เพราะมีสติและที่สติทำงานได้เพราะมันจำได้มันจำได้จำอาการของตัวหลงและตัวกิเลสเหล่านี้ได้และที่จำได้เพราะเจอเจ อ, เจอมันตอนที่เจอครั้งแรกเจอใหม่ๆก็เพียงพั้มแต่ว่าพอได้เรียนรู้ และจดจาได้แม่นนะมันก็ไม่ยอม่อนไต่อไปและในการเจริญสติเนี่ยนะเราก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะเราก็ต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียนรู้จากความทุกข์อนุญาตให้มันเกิดขึ้นและการอนุญาตให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละที่จะช่วยให้สติทำงานได้ดีจดจำได้แม่นนะแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้อย่างรวดเร็ว อย่างนี้พูกท่านนี้นะกราบพระ